เรื่องพระปิโลติกะเทระกับผ้าหนุ่งเก่าพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระปิโลติกะเทระความพิศดานว่าวันหนึ่งพระอานุ์เห็นเด็กชายถือกระเบื้องขอทานอยู่จึงชวนมาบวชเขาบวชแล้วบริโภคลาบสการะเป็นอันมากมีสรีระอ้วนพีกระสานแล้วคิดว่าจากักสึก สึกแล้วก็จะนุ่งผ้าเก่าและถือกระเบื้องขอทานดุดดังเดิมครั้นไปสู่ที่เก็บผ้าเก่าก็ให้โอว่าตนเองว่าเจ้าเป็นผู้ไม่มีฮิริหมดยางอายยังปรารถนาเป็นขอทานอีกหรือครั้นจิตผ่องใสแล้วก็เก็บผ้าเก่าไว้ที่เดิมกลับวิหารอีกสองถึงสมวันท่านกระสันอีกไปกล่าวอย่างนั้นแหละแล้วก็กลับ ถึงกระสัขึ้นอีกก็ไปกล่าวอย่างนั้นอีกเหมือนกันแล้วก็กลับด้วยประการชนนี้ท่านทำอยู่อย่างนี้โดยทำผ้าท่อนเก่าของตนนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ห้ามตนได้โดยทานองนั้นนั่นเองโดยสองถึงสามวันก็บ ร, รุอารหัตท่านกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์คือผ้าท่อนเก่ามีอยู่ผมก็ได้ไปอยู่ แต่บัดนี้ผมตัดความเกี่ยวข้องได้แล้วผมจึงไม่ไปสำนักอาจารย์อีกพวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวว่าพระปิโลติกะอวดอ้างคุณวิเศษอรหัตพระสัสดาสทรงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายบุตรของเราเมื่อมีความเกี่ยวข้องคือมีความกระสานนั้นมีอยู่จึงไปสำนักอาจารย์แต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องคือความกระสานนั้น เธอตัดได้แล้วเธอห้ามตนด้วยตนเองบรรลุอรหัตแล้วดังนี้แล้วได้ทรงภาศิทธิพระคาถาว่าบุรุษผู้ห้ามอากุศลวิตกด้วยหยิวริได้น้อยคนจะมีในโลกบุคคลใดกำจัดความหลับแล้วตื่นอยู่เหมือนม้าดีหลบแซ่ไม่ให้ถูกตนบุคคลนั้นหาได้ยากท่านทั้งหลายจงมีความเพียรมีความสลดใจ เหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยแส้แล้วมีความบากบั่นฉะนั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลวิริยะสมาธิและปัญญาคุณเครื่องวินิจฉัยธรรมมีวิชาและจรณนะถึงพร้อมมีสติมั่นคงจกละทุกอันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้อธิบายคำว่าฮิริ เพราะห้ามอากุศลวิตกมีการพยาบาทเป็นต้นอันเกิดในภายในด้วยความละอายได้บุคคลกำจัดความหลับแล้วตื่นอยู่เพราะไม่ประมาทเจริญสมณธรรมอยู่คอยขับไล่ความหลับที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตนให้ตื่นอยู่สำหรับคำว่าหลับในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการหลับนอนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับหลับ คือโมหะคือหลงขาดสติแม้จะลืมตาในชีวิตประจำวันอยู่แต่ถ้าไม่เกิดสติรู้กายรู้ใจอยู่ก็เท่ากับกำลังหลับอยู่ผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานคือผู้มีสติสมบูรณ์ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหล